พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่26ปาสราสิสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยบ่วงดักสัตว์พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายณนะอาสมของพรามชื่อรัมมกะแสดงการสแสวงหาว่ามีสองอย่างคือการสแสวงหาไม่ประเสริฐกับการสแสวงหาอันประเสริฐ การสแสวงหาไม่ประเสริฐคือสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาส่วนการสแสวงหาอันประเสริฐคือสแสวงหาพระนิพพานอันไม่มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาตรัสเล่าเหตุการณ์ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสสรู้ว่า ทรงมีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาแต่ก็สแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาจึงทรงพระดําริที่จะสแสวงหาพระนิพพานตรัสเล่าเรื่องที่เสด็จออกผนวดเมื่ อ, อยังอยู่ในวัยหนุ่มเสด็จไปศึกษาในสํานักของอาลารดาบทกาลามโคดทรงศึกษาปฏิบัติสมาบัติชื่ออากินจัญญายตนะ นับเป็นสมาบัติที่เจซึ่งเพ่งอารมณ์เห็นว่าไม่มีอะไรเมื่อทรงเห็นว่ายัางไม่ใช่ทางพระนิพพานจึงเสด็จออกจากสำนักนั้นไปศึกษาในสำนักของอุทธกัดาบุตรรามบุตรทรงศึกษาปฏิบัติสมาบัติชื่อเนวะสัญญานาสัญญายตนะนับเป็นสมาบัติที่8ปที่ละเอียดถึงขนาดว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ซึ่งก็ทรงเห็นว่ายัางไม่ใช่ทางพระนิพพานจึงเสด็จไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงทำความเพียรจนได้ค้นพบพระนิพพานและเห็นว่าธรรมะนี้ลุ่มลึกจึงคิดจะไม่ทรงแสดงธรรมต่อเท้าสหัมบดีพรมมาอารัธนาจึงทรงตกลงพระารุษไทยจะแสดงธรรม ครั้งแรกทรงคิดถึงดาบททั้งสองที่เคยทรงศึกษาด้วยแต่ก็ทรงทราบว่าตายซะแล้วจึงทรงรำลึกถึงพระปัญจวักคีคือภิกษุห้ารูปซึ่งเคยรับใช้พระองค์มาในระหว่างทรงทมความเพียรในระหว่างทางที่เสด็จไปกรุงพาราณสีได้ทรงพบอุปการชีวกแต่อุปการชีวกไม่เลื่อมใสที่ทรงตอบคาถามว่า ทรงตรัสรู้ได้เองจึงหลีกไปครั้นแล้วได้แสดงธรรมโปรดภิกษุบัญจะวะิคีเมื่อเสด็จไปถึงที่พักของเธอใจความในพระธรรมเทศนาเป็นเชิงเตือนใจก่อนแสดงธรรมจักกับประวัตินะสูตรว่ากรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโหธพะที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจ ทำให้สมณะพรามผู้ติดอยู่ถึงความพินาศเหมือนเนื้อติดบ่วงทรงแสดงข้อปฏิบัติตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงสัญญาเวทะยิตะนิโรธรวมก้าข้อเหมือนในนิวาประสูตรว่าไม่ไปสู่ทางของมาร